ให้เขาสอนเดินจงกรมและนั่งสมาธิให้แม่ทีต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษหน่อยนะเขาป่วยหนะักและมีทุกเขเวทนามากบางครั้งอาจงุดหงิดฉุนเฉียวแม่ทีก็ต้องเข้าใจอย่าไปโกรธเคืองเขาเพราะคนที่กำลังป่วย มักเป็นอย่างนี้ทุกคนเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจจ้ะลุงพ่อฉันจะดูแลให้ดีที่สุดและจะคิดว่าเขาก็เหมือนกับลูกหลานของฉันคนหนึ่งแม่ทีเจียนรับคำแข่งขันดีแล้วนึกว่าสร้างบารมีให้ตัวเอง ด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ส้มปล่อยเองกราบแม่ทีเขาเสียสิฝากเนื้อฝากตัวไว้เพราะเขาจะช่วยดูแลเองแล้วก็พยายามสงบสติอารมณ์ซิบบ้างเวลาปวดมากมากก็ให้อดทนอย่าไปเที่ยวอารวาดระรานคนอื่นเขาละ่ะ ท่านกําชับไว้ก่อนหญิงสาวก้มลงกราบแม่ชีหนึ่งครั้งดีแล้วเอาละเดี๋ยวจะให้ยาไปกินนี่นะยาแก้มะเร็งเอาชงเดิมต่างน้ำถ้าเอ็งหิวน้ำก็ให้เดิมยานี่แทนชงเหมือนชงชานั่นแหละรสชาติมันขมและเฝื่อน แตเองก็ต้องฝื้นใจดื่มให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยานี้จะเข้าไปขับเลือดขับน้องและของเน่าของเสียออกมาคานอนด้วยหรือเปล่าจ้หลวงพ่อล่อนถามด้วยสิพรามันถูกยาเข้าไปมันก็จะอยู่ไม่ได้มันจะตายใช่ไหมจ้า และหลวงพ่อไม่บาปหรือจ๊ะบาปสิถ้ามันตายข้าบาปแน่ๆ แ, แต่มันไม่ตายหรอกเมื่ออยู่ไม่ได้มันก็จะพากันหาทางออกมาเองไม่ต้องห่วงถ้าเองอยากหายเร็วๆก็ต้องขยันกินยาแล้วก็จะหายข้ารักษาหายมาหลายรายแล้วด้วยยานี้ แล้วที่ตายมีไหมจ๊ะหญิงสาวถามอีกมีทำไมจะไม่มีท่านตอบตามตรงว่าเงินฉันอาจจะตายก็ได้หล่อนรู้สึกใจหดหูขึ้นมาอีกใช่ถ้าเองไม่ยอมกินยาเองตายแน่แน่เพราะคนที่เขาตายนั้นไม่ใช่เพราะยาไม่ดี แต่เพราะเขาไม่ยอมกินยาไม่สามารถฝืนใจตัวเองเพราะเคยชินแต่กับรสที่น่าปรารถนาน่าพอใจพอมาเจอรสยานี่เขา้าเลยทนไม่ได้รสชาติมันร้ายกาจมากเลยแหละหนูขนาดลุงเคยกินยาขมมาหลายขนานก็ยังไม่ได้ครึงของยานี้ หนูลองชิมดูก็ได้อาจารย์ชิตพูดพร้อมกับส่งถ้วยบรรจุน้ำสีน้ำตาลแกมเหลืองคล้ายกับสีของน้ำชาให้หล่อนขอบใจจ้าหญิงสาวรับถ้วยพลางกล่าวคำขอบใจท่านพระครูจึงถือโอกาสสอนว่าพูดกับคนที่แก่กว่าต้องว่าขอบคุณส่วนขอบใจนั่นใช้กับ เพื่อนหรือคนที่อายุน้อยกว่าจำไว้ทีหลังจะได้พูดได้ถูกต้องจ้ะงั้นฉันพูดใหม่หถูกต้องก็ได้หล่อนหันไปทางอาจารย์ชิตพูดใหม่ว่าขอบคุณจ้ะแล้วจึงยกถ้วยยาขึ้นดืม่มเพียงลิ้นสัมผัสหล่อนก็รีบวางแล้ววิ่งออกไปบ้วนทิ้งที่หน้ากุฏิกระนั้น ก็ยังรู้สึกว่ารถขมติดปากติดลิ้นอยู่ท่านพระครูจึงว่านั่นไงเดี๋ยวก็ได้ตายอีกคนหรอกโอ้ยหลวงพ่อทำไมมันขมร้ายกาดอย่างนี้ไม่กินยาไม่ได้หรือจ๊ะปฏิบัติกรรมฐานอย่างเดียวได้ไหมหล่อนขอต่อรองก็ในเมื่อยาเองยังกินไม่ได้ แล้วอิงจะไปปฏิบัติได้ยังไงเพราะการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อแก้กรรมนั้นมันทุกข์ทรมานยิ่งกว่ากินยาขมหลายเท่านักไม่ใช่ปฏิบัติจิ ม, จ, มจิมจำจแล้วจะแก้กรรมได้ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเทียวละ่ะท่านเจ้าของกุฏิชี้แจงนี่ก็แปลว่า ฉันต้องทนปวดหน้าอกทนกินยาแล้วก็ยังต้องทนปฏิบัติกรรมฐานอีกทำไมมันหนักหนาสาหัสอย่างนี้ละจ้าหลวงพ่อสตรีวัย2ี่สิบเศษนึกทอ้อเอ็งจะได้เข็ดหลาบยังไงละ่ะทีหลังจะได้ไม่ก่อกรรมทําเวรอีกเอาเถอะกลับไปได้แล้วแม่ทีช่วยเป็นหูเป็นตาแทนด้วยนะ ท่านฝากฝังกับแม่ชีเจียนอีกครั้งจ้าหลวงพ่ออย่าได้เป็นห่วงเลยฉันจะดูแลอย่างดีที่สุดหากมีอะไรเหลือบาค ก, กว่าแรงก็จะมากราบเรียนให้หลวงพ่อทราบฉันหลาละจ้าแม่ชีกราบท่านเจ้าของกุฏิสามครั้งและชวนนางสาวส้มปล่อยกลับสำนักชี หญิงสาวกราบท่านพระครูและกำลังจะลุกตามแม่ชีออกไปก็พอดีกับท่านเจ้าของกุฏิถามขึ้นว่าส้มป่อยบ้านเองอยู่ติดกับบ้านตาวลไม่ใช่หรือแกเป็นยังไงบ้างท่านถามถึงเพื่อนบ้านของนางสาวส้มป่อยเห็นว่าป่วยมานานแล้วจ้าไอ้ฉันก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะลำพังตัวเองก็จะเอาไม่รอด ลูกสาวแกคนที่เป็นเพื่อนกับฉันบอกว่าเอาไปอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนก็ไม่หายและแกก็รบเร้าให้ลูกพากลับบ้านอ๋ออย่างงั้นหรอกหรือแกป่วยเป็นอะไรละ่ะก็โรคคนแก่นั่นแหละจานหลวงพ่อสงสัยอีกไม่นานคงต้องกลับบ้านเก่านี่ฉันไม่ได้แช่งนะหล่อนรีบออกตัวเอาละเอาละ ไปได้แล้วประเดี๋ยวข้าเห็นจะต้องไปเยี่ยมแก่สักหน่อยเรือข้ามฟากยังมีใช่ไหมมีจ้ะทุ่มหนึ่งถึงจะหมดนิมนต์หลวงพ่อรีบไปเถอจ้ะถ้าอย่างนั้นโยมปฏิบัติไปก่อนนะอาตา ม, มาจะไปเยี่ยมไข่เขาสักหน่อยเดี๋ยวกลับมาจะเล่าอะไรให้ฟัง ท่านบอกอาจารย์ชิดครับนิมนต์หลวงพ่อเถอะครับอาจารย์ชิดว่ารู้สึกดีใจที่จะได้ฟังท่านเล่าอะไรสมชายขุนทองหายกันไปไหนหมดละ่ะท่านถามหาลูกศิษย์และหลานชายนายขุนทองกำลังอ่านหนังสือ ก, กระตูนอยู่ในห้องได้ยินท่านเรียกจึงออกมา ลุ ง, ลงมีอะไรจะใช้หนูหรือหอสมชายไปไหนเสียล่ะน้่นล่ะหะบ้านเหนือโ น, น่นเขาที่มือประกอบถ้าอย่างนั้นเองไปเตรียมของเยี่ยมคนป่วยมาหนึ่งชุดจัดใส่ถาดมาให้เรียบร้อยแล้วก็หาซองเปล่ามาหนึ่งซองท่านสั่งนายขุนทองจึงหายเข้าไปในห้องอีกครั้ง ประเดี๋ยวหนึ่งก็ถือถาดพลาสติกออกมาในถาดมีโอวันตินขนาดกลางหนึ่งกระป๋องนมข้นตราหมีสามกระป๋องและนมสดอีกหนึ่งโลซองเปล่าสีขาววางอยู่บนกระป๋องโอวันตินท่านพระครูหยิบธนบัตรใบละร้อยจากย่ามส่งให้เขาสองใบเอาใส่ในซองนั่นแล้วถือถาดตามข้ามา โยมเฝ้ากุฏิไปก่อนนะถ้ามีใครมาก็ช่วยบอกว่าอาตมาไปเยี่ยมไข่ฝั่งโน้นอีกสองชั่วโมงจะกลับท่านสั่งอาจา ร, รย์ชิดแล้วจึงเดินนำไปยังท่าน้ำโดยมีนายขุนทองเดินตามท่านพระครูออกไปไม่ถึงสิบนาทีบุรุษวัยสี่สิบเศษ ก็เข้ามาถามหาท่านอาจารย์ทิดบอกเขาตามที่ท่านเจ้าของกุฏิสั่งและแอ บ, บสังเกตว่าดวงตาของบุรุษนั้นแดงชำ้ำเหมือนคนที่ผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักจึงพูดขึ้นว่าดูท่าทางคุณคงมีทุกข์ระหว่างที่รอหลวงพ่อหากมีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ก็อย่ากเกรงใจนะครับเขาเสนอตัว เมื่อมีคนมาแสดงความเห็นอกเห็นใจบุรุษนั้นก็ร้องไห้เหมือนเด็กๆพลางรำพึงรำพันขอบคุณครับเมื่อมีใครช่วยผมได้ผมมันคนเลวผมมันไอคาตรกรต้องตกนรกบุกไหม้แล้วเขาก็ตี อ, อกชอกหูวตัวเองต่อหน้าบุรุษสูงวัยอย่าทำร้ายตัวเองอย่างนั้นเลยครับผมเชื่อว่าลุงพ่อท่านคงช่วยคุณได้ ท่านมีเมตตาจิตสูงช่วยให้คนพ้นทุกข์มามากต่อมาผมว่าคุณจะเย็นไว้ก่อนดีกว่าผู้มาใหม่หยุดทำร้ายตัวเองเพราะรู้สึกเจ็บนึกโกรธตัวเองอยู่คลามครันทุกข์ใจก็สุดจะทานทนแล้วยังต้องมามีอันทุกข์กายเพิ่มเข้ามาอีกเมื่อปุรุษนั้นหยุดร้องไห้อาจารย์ทิศจึงถามขึ้นว่าขอประทานโทษ คุณมาจากไหนหรือครับมาจากเพชรบุรีครับผมขับรถมาบ้านอยู่ที่นั่นหรือครับเขาถามอีกการได้พูดได้คุยทำให้รู้สึกเพลิดเพลินจนสามารถลืมความเจ็บปวดไปได้บ้างเปล่าครับขอโทษนะครับกรุณาอย่าถามว่าผมไปทำอะไรที่นั่นเพราะประเดี๋ยวผมก็มีอันต้องร้องไห้อีกบุรุษนั้นขอร้อง ผู้อาวุโสจึงจำต้องนิ่งขณะเดียวกันก็คิดว่าบุรุษผู้นี้คงจะได้รับความเสเทืนใจอะไรสักอย่างมาจากจังหวัดนั้นเงียบกันไปพักหนึ่งผู้มาใหม่จึงถามขึ้นว่าคุณได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าครับค ล, คล้ายๆกลิ่นเน่าของสุนัขหรือว่ามินูตายอยู่แถวนี้ผมได้กลิ่นตั้งแต่ตอนเข้ามาโน่นแล้วเขาทำจมูกฟุดฟิดพลางก้มลงมอง ที่ใต้อาสนะเพื่อค้นหาอย่าหาเลยครับแถวนี้ไม่มีนูตายผมรับรองได้อาจารย์ชิดว่าคุณไม่ได้กลิ่นบ้างหรือเหม็นอกอย่างนั้นผู้มาใหม่ถามอีกได้สิครับแต่ผมชินกับมันเสีแล้วนี่ไงครับที่มาของกลิ่น เขาชี้แผลตรงคอบริเวณใต้กกหูข้างขวาปุรุษนั้นจึงรีบกล่าวคำขอโทษผมต้องขอประทานโทษนะครับที่พูดในสิ่งที่อาจทำให้คุณเสือนใจเป็นอะไรหรือครับมะเร็งต่ำน้ำเหลืองก่อนหน้านี้ผมรู้สึกหมดอะไรในชีวิตแต่พอมาพบหลวงพ่อผมกลับมีความหวังขึ้นท่านบอกว่าผมมีโอกาสหาย ถึง 80% เอร์ซครับผมขอแสดงความยินดีแต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอโทษที่พูดไปเมื่อตะกี้กรุณายกโทษให้ผมด้วยอย่าเก็บมาเป็นอารมณ์เลยครับผมเข้าใจความรู้สึกของคุณดีและแผลของผมมันก็เหม็นอย่างที่คุณว่ามาจริงๆอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้ลูกเมียเขาก็ยังรังเกียจผม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 ก็ไม่ได้แสดงอาการรังเกยียจทั้งที่ผมก็เป็นคนแปลกหน้าสำหรับท่านในโลกนี้จะหาใครที่มีจิตเปี่ยมด้วยเมตตาเช่นท่านไม่มีอีกแล้วไม่มีจริงๆคุณไม่เคยรู้จักกับท่านมาก่อนหรือครับไม่เคยครับผมได้รับคำแนะนำจากเพื่อนก็เสี่ยงมาอย่างนั้นเองไม่นึกว่า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 ส่วนผมชื่อทิศเคยเป็นอาจารย์สอนที่วิทยลาลัยเกษตรกรรมจังหวัดเทียงใหม่แต่ได้ลาออกมาห้าปีแล้วหลังจากที่รู้ว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอาจารย์ทิศแนะนำตัวเองผมชื่ะจะรินครับเป็นวิศวกรผู้มาใหม่พูดสั้นๆเขารู้สึกว่า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 ค่อยหายใจโล่งอกเมื่อห่างรัศมีของกุฏิออกมาเขาเดินเรื่อยๆไปจนถึงโรงครัวหากมิได้แวะเข้าไปความทุกข์ที่กำลังได้รับมันหนักหน่วงเสีย จ, จนไม่รู้สึกหิวบุรุษวัยสี่สิบเศษเดินไปจนถึงศาลาท่าน้ำแล้วก็เลยถูโอกาสนั่งคอยท่านพระครูอยู่ณที่นั้น ช่วงเวลาแห่งการรอคอยนายจรินรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังตกอยู่ในห้วงอเวจีมันร้อนรุ่มกรุ่มกัดอึดอัดขัดข้องจนสุดจะพนน า, น, านับตั้งแต่จำความได้กระทั่งอายุย่างเข้าปีที่ส3สาก็ยังไม่เคยมีความทุกข์ครั้งใดหนักหนาสาหัสเท่าครั้งนี้เมื่อได้อยู่คนเดียว ภาพเหตุการ์สยดสยองที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา11นาฬิกาได้กลับเข้ามาสู่ห้วงความคิดอีกครั้งเขาเห็นร่างของพระอาจารย์สุวินที่นอนจมกองเลือดเพราะน้ำมือของเขาท่ามกลางความตะลึงงันของบรรดาพระภิกษุและแม่ชีในวัดมันเกิดขึ้นและเป็นไปอย่างรวดเร็วราวกับลมพัดผ่าน แล้วเขาก็กลายเป็นฆาตกรไปโดยไม่ได้เจตนาโอ้ยทนไม่ไหวแล้วฆาตกรและยกมือทั้งสองขึ้นปิดหน้าเพราะไม่ต้องการจะเห็นภาพนั้นทว่ายิ่งปิดก็ยิ่งดูเหมือนว่ามันชัดเจนมากขึ้นจนเขาไม่อาจทนนั่งอยู่ณที่นั้นได้จึงลุกขึ้นเดินกลับไปยังกุฏิคิดว่า ทนเหม็นกลิ่นเน่าก็ยินดีกว่าต้องมาทนอยู่กับความทุกข์ทรมานเช่นนี้บุรุษวัยสี่สิบเศษเดินกลับมาที่กุฏิอีกครั้งคิดว่าจะมาพูดคุยกับบุรุษสูงวัยเพื่อให้คลายความกลัดกลุ้มครั้นมาถึงก็เห็นฝ่ายนั้นกําลังเดินจงกรมอยู่อย่างขมขม้นจึงคิดที่จะทำเช่นนั้นบ้าง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 แล้วอยู่ๆก็เหมือนมีกรรมบันดาลให้เขาต้องเหินห่างจากท่านเพียงได้รู้จักกับพระอาจารย์สุวินเขาก็เริ่มแปรพักจากท่านพระครูเจริญไปหลงติดในอิทธิปาฏิหาริย์ของพระอาจารย์สุวินดังนั้นแทนที่จะขับรถมาสิงบุรีเขาก็ไปเพชรบูร์แทนแล้วก็ได้ไปทุกอาทิตย์จนไม่เป็นอันทำการทำงาน เพราะใจจดจอ่อรอให้ถึงวันศุกร์พัญญาเขาเคยสะกดรอยตามโดยคิดว่าเขาคงไปมีผู้หญิงซุกซ่อนไว้ที่นั่นครั้นเห็นว่าไปหาพระจริงหล่อนก็เลิกตามกระนั้นก็ยังค่อนแคะกระเนะกระแห น, ะแนเขาว่าหลงพระยิ่งกว่าหลงผู้หญิงปีที่แล้วนี่เองที่ไม่ได้ไปหาท่านเพราะทางราชการ ส่งเขาไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเพิ่งบินมาถึงเมื่อวานตอนเย็นพอตีห้าของวันรุ่งขึ้นเขาก็ขับรถบึ่งไปเพชรบูรณ์ด้วยความระลึกนึกถึงพระภิกษุรูปนั้นมิได้คาดฝันว่าจะมากลายเป็นฆาตกรไปในที่สุดคิดมาถึงตอนนี้เขาอยากจะตะโกนออกมาดังๆเพื่อระบายความกลัดกลุ้มหากก็ต้องยับยั้งสติอารมณ์เอาไว้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 ซึ่งล้วนเต็มไปด้วยทุกข์ถึงแม้จะมาในรูปแบบต่างๆกันหากก็สรุปลงด้วยทุกข์เหมือนกันหมดเหตุนี้กระมังพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าชีวิตเป็นทุกข์ท่านพระครูกลับมาถึงกุฏิเมื่อเวลาทุ่มครึง่งทันทีที่เห็นท่านเดินเข้ามานายจรินก็โผลเข้าไปกราบที่เท้าท่าน แล้วซบหน้าร้องไห้อยู่ตรงนั้นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไม่ได้พูดว่ากไกรหากยืนก้มหน้านิ่งดูเขาร้องไห้อาจารย์ชิดกำลังจะนั่งสมาธิก็เลยมีอันไม่ได้นั่งเพราะอยากดูเรื่องราวและสาเหตุแห่งทุกข์ของบุรุษนั้นหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยนายจรินครั่ำครวน ได้ข่าวว่าไปดูงานที่เมืองนอกไม่ใช่หรือกลับมาเมื่อไรล่ะท่านเจ้าของกุฏิถามด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาเมื่อเย็นวานนี้เองครับบุรหลุดวัยสี่สิบเศษเงยหน้าขึ้นตอบครั้นเห็นว่าเป็นการไม่สมควรที่จะให้ท่านยืนพูดกับเขาอย่างนั้นจึงถอยออกมาแล้วนิมนต์ท่านเข้าไปนั่งที่อาสนะ นายขุนทองจัดการชงกาแฟมาบริการแขกโดยไม่ต้องรอให้ท่านสั่งโยมผู้หญิงไม่ได้มาด้วยหรอกหรือท่านถามถึงพ ญ, ญานายจรินไม่ได้มาครับผมมาคนเดียวมาจากเพชรบูรณ์แล้วเขาก็ร้องไห้เสอือกเสืออื่นอ๋อท่านพระครูรับรู้และไม่ได้ถามอะไรอีก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 กับนายคุณทองก็นั่งฟังอย่างตั้งอกตั้งใจเรื่องมันเกิดขึ้นวันนี้เองครับคือผมขับรถไปเพชรบูรณ์ตอนตีห้าเพื่อจะไปกราบเยี่ยมพระอาจารย์สุวินไปถึงส1อโมงเศษก็ตรงไปที่กุฏิของท่านไม่ชีปราณีบอกผมว่าท่านเข้าสมบัติอยู่ในถ้ำน้ำบงังบนภูเขามาสามเดือนแล้วห้ามใครไปรบกวน กำหนดท่านจะออกจากสมบัติวันที่หนึ่งมีนาซึ่งครบสามเดือนพอดีผมก็ถามแม่ทีว่าทำไมท่านต้องเข้านานขนาดนั้นก็ได้รับคำตอบว่าเพื่อเะดาจเคราะห์และต่ออายุหากไม่ทำเช่นนั้นท่านจะต้องมอรณภาพภายในเดือนมกราคม2517ผมก็ไม่เชื่อที่แม่ทีเล่าเพราะเคยได้ยินมาว่า พระสามารถจะเข้าสมาบัติได้อย่างมากต้องไม่เกินเจวันใช่ไหมครับเขาถามท่านเจ้าของกุฏิมันคนละอย่างกันสมาบัตมีสองประเภทคือผลสมาบัตและนิโรธสมาบัตอย่างแรกเข้าเป็นเดือนก็ได้แต่อย่างหลังคือนิโรธสมาบัต หรือชื่อเต็มว่าสัญญาเวทยิปนิโรสมาบัติเพราะเป็นสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนาอันนี้เข้าได้อย่างมากไม่เกินเจ็ดวันท่านพระครูถือโอกาสอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างว่าลุงพ่อเกษมที่อยู่จังหวัดลำปาง ท่านคุ้นเคยกับอัตมาดีองค์นี้ท่านเข้าผลสมาบัติครั้งหนึ่งหนึ่งนอนเป็นเดือนลูกศิษย์ลูกหาหมายเยี่ยมก็เลยต้องผิดหวังไปตามๆกันหลงๆน่าจะทำอย่างนั้นบ้างนะฮอจะได้ไม่ต้องรับแขกหนูก็จะได้ไม่เหนื่อยนายขุนทองพูดขึ้น ข้าก็อยากจะทำเหมือนกันแหละแต่ทำไม่ได้เพราะยังไม่หมดหน้าที่ต้องใช้กรมย า, าิโยมเขาให้หมดเสียก่อนท่านบอกหลานชายอ๋อเรือฮอแล้วจูนหมดหรือยังละฮออีกสี่ห้าปีเอาละเอ็งเลิกถามได้แล้วข้าจะฟังโยงเขาเล่าต่อ นายจรินจึงเล่าต่อไปว่าระหว่างที่แม่ทีเข้าสารวจนอยู่กับการจัดอาหารถวายเพณพระผมจึงแอบขึ้นไปบนเขาแล้วก็เข้าไปในถ้ำก็เห็นพระอาจารย์สวินท่านนอนหลับอยู่ในมุง้งผมจึงเข้าไปดูใกล้ใกล้ก็พบกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนไว้ที่ข้างมุง้งเป็นลายมือของท่านเองเขียนสั่งไว้ว่าเจริญพรญาติโยมทั้งหลายอัตมภาพ จะไปเที่ยวปาหิมพานสัก3ามเดือนระหว่างนี้ห้ามไม่ให้ใครมารบกวนอัตมาไม่ได้มรณะภาพจึงไม่ต้องรดน้ำศพไม่ต้องสวดพระอภิธรรมแล้วก็ไม่ต้องนำร่างไปใส่ลงแล้วอัตมาจะกลับมาในวันที่หนึ่งมีนาคม2517และที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้ใครแต่ต้องตัวอัตมาเป็นอันขาด ท่านเขียนว่าอย่างนี้ครับแล้วก็ลงวันที่ไว้ด้วยเป็นวันที่หนึ่งธันวาคม2516พอเห็นข้อความนั้นผมก็เลยคิดว่าไม่ใช่ปราณีพูดความจริงแล้วก็เหมือนมีอะไรมาดนใจผมคิดว่าวันนี้ก็วันที่24สี่กุมภาพลาแล้วหรือเวลาอีกห้าวันเท่านั้นหากผมจะปลุกท่านก็คงไม่เป็นไรเพราะไหนๆก็ผ่านพ้นเดือนม ก, กรามาแล้ว คิดดังนั้นผมจึงเอื้อมมือเข้าไปในมุ้งเพื่อจะจับแขนท่านขณะนั้นแม่ชีปราณีตามมาถึงพอดีแกส่งเสียงห้ามว่าคุณจรินยาแต่ช้าไปเส็จแล้วเพราะผมยั้งมือไม่ทันครั้นมือผมสัมผัสกับแขนท่านก็เกิดเสียงดังเพี้ยเหมือนเข้าตอกแตกแล้วเลือดก็ไหลท่วมร่างท่านไหลไหลนองลงมาเต็มพื้นท่ำไม่ทราบว่า ทำไมถึงมากมายขนาดนั้นเป็นข่าวกรุงเลยครับผมก็ตะลึงไม่ชีปราณีก็ตะลึงคนอื่นๆก็ตามมาดูกันทั้งพระทั้งชีพอหายตกตะลึงผมก็ร้องไห้ใหญ่ไม่ชีปราณีก็รำพึงรำพันซ้ำๆ้ัากๆกว่าไม่น่านเลยไม่น่านเลยพี่บอกแล้วก็ไม่เชื่อพี่เผลอเดี๋ยวเดียวก็เกิดเรื่องจนได้ระหว่างที่พวกเขาช่วยกันนาศพใส่ลง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 นายจรินไม่เข้าใจจึงถามท่านว่าหลุงพ่อหมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าโยมไม่ได้เป็นผู้ร้ายฆ่าคนอย่างที่โยมคิดนะสิสมมตินะสมมุติว่าโยมเอามือมาถูกตัวอัตมาแล้วจะเรียกว่าโยมเป็นผู้ร้ายฆ่าคนหรือเปล่าเล่า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 ท่านก็เคยมาปรึกษาเรื่องนี้อัตมาก็ชวนมาเข้ากรรมฐานท่านก็ไม่เชื่อท่านชอบไปทางฌานสมาบัติในที่สุดก็ต้องเป็นไปตามกรรมโยมอย่าลืมนะว่าวิธีที่จะแก่กรรมนั้นต้องใช้วิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นอย่างอื่นแก้ไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าชานสมาบัติไม่มีประโยชน์หรือครับอาจารย์ชิดถามมีสิทำไมจะไม่มีแต่ประโยชน์ที่แท้จริงนั้นจะต้องนำมาเป็นบทฐานของวิปัสสนาถ้าหากนำไปใช้ในทางให้เกิดอิทธิปาติหารถือว่า ไม่ใช่ประโยชน์ที่แท้เพราะแก้ทุกไม่ได้ท่านสุวินท่านมีอิทธิปาฏิหาริย์หลายอย่างเท่าที่อัตมารู้แต่เห็นหรื อ, อยังว่าท่านก็ไม่อาจหนีกรรมไปได้อุตสาหนีไปถึงป่าหิมพม า, านต์ก็ยังไม่พ้นกรรมแต่ถ้าท่านเชื่อหลวงพ่อแล้วมาเข้ากรรมฐานที่นี่ ก็จะไม่มรณภาพหรือครับนายจรินถามแน่นอนข้อนี้อาตมารับรองเพราะการที่ท่านได้ชาญก็เหมือนกับมีทุนเดิมอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมาทำเพิ่มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมเหล่าใช่ครับถ้าอย่างนั้น ผมจะกลับไปลางงานสักเจ็ดวันแล้วมาเข้ากรรมฐานนะครับลุงพ่อครับผมขอปฏิญาณว่าต่อตาก น, นี้ไปผมจะเลิกสนใจเรื่องอิธิปติหารจะสนใจแต่วิปัสสนากรรมฐานเพียงอย่างเดียวผมเข็ดแล้วครับบุรุษวัยสี่สิบเศษให้คำมั่นสัญญาดีแล้วอาตมาขออนุมโมทนาเอาละ สบายใจแล้วก็ไปที่โรงครัวไปทานอาหารเสียก่อนแล้วค่อยกลับบ้านยังไม่ได้ทานข้าวกลางวันไม่ใช่หรือครับขอบพระคุณครับแม้พอหลวงพ่อพูดผมรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยครับเขากราบท่านสามครั้งแล้วหันไปลาอาจารย์ชิดขอบคุณนะครับอาจารย์ผมเลยถือโอกาสลาเลยพูดจบ ก็ลุกขึ้นเดินมุ่งหน้าไปยังโรงครัวด้วยรู้สึกหิวจนแสบท้อง